พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ดลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22พิพฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าคิวต่อไปวันนี้เป็นวันที่ <22. S 2> ยี่สิบสองพศจิกายนพุทธศักราช2558วันนี้กฐินภูก้อนนะอนาณาธายาโยมลูกหลานตอนเช้าแต่หลวงพ่อทำไมไม่ได้ไปเพราะหลวงพ่ อ, อมีภาระที่จะต้องไปนู่นมุกดาหารฉันยังหันเสร็จเสร็จแล้วก็คงจะเตรียมตัวละเดินทางไปทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับโยมพี่สาวโยมพี่สาวาตายไปได้สองสามปีลูกหลานก็นจะทาบุญให้กับป้าเข า, เาพี่เขาหลวงพ่อกนะ็นในนามฐานะพี่โยมพี่สาวแต่โยมพี่สาวคนนี้ เป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจในพระพุทธศาสนามากแต่ลงพ่อเองเขามั่นใจว่าเขาต้องไปดีพอเหตลไยเพราะเขาเป็นเกิดนั่นมาเขาก็ได้บวดเป็นชีบวดเป็นชีกับคุณแม่ชีแก้วสองสามปีเหมือนกันนะสมัยเป็นสาวสีดลีดอายุสิบหกสิบ็ดปีบวด จากนั้นก็ได้ออกมาแต่งงานก็มีฐานะดีกว่าทุกคนในครอบครัวรู้สึกว่าเขาเป็นผู้มั่นขยันเป็นคนที่มีความคิดทีเดียวโยมพี่คนนี้แล้วก็ได้ถวายหลวงพ่อมาซื้อทองคำเข้าคลังหลวงในช่วงนั้นล้านกว่าบาทแปลว่า ผู้ที่จะถวายเงินล้านไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันอ่ะอันนี้โยมพี่เขาถวายหลวงพ่อล้านกว่าหลวงพ่อกระเดกเอาจตุ ป, ปัจจัยอืซื้อทองคำถวายองค์หลวงตาเนี่ยแหละโยมพี่คนนี้ก็อายุเพียงเจ็ดสิบห้าปีนะไปก่อนไปแล้วนะ ต่อมาหลวงพ่อก็บอกว่าเออไปอไประชุมเพิงโยมพี่ก็เรียกพี่น้องมาพร้อมกันยังเหลืออยู่สี่ห้าคนยังเหลืออยู่สี่คนไปและสามยังเหลือสี่หลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอา้เอพี่น้องใครจะเป็นคิวต่อไปว่า มันต้องมีคิวต่อไปอ่อดังนั้นเรื่องมรณะภัยอย่างนี้ต้องคิดไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนเลยอย่าไปคิดว่าตัวเองจะไม่ตายแต่โยมพี่ของลูกพ่อก็มั่นใจสร้างวัดวาศาสนาสร้างภูเจ้าก่อขึ้นมาถัางน้ำไม่รู้กี่ใบถังน้ำฝนนะถังน้ำใหญ่แล้วก็เสนาธนะ สร้างวัดวาศาสนาในในถิ่นนั้นสมัยนั้นเขาไม่แพ้ใครในการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่าเรื่องทําอาหารไปถาไวายพระนี่ก็โอ้โหถ้าว่าโยมพี่ตาวเข้าไปแล้วก็เหลืออยู่เหลือกินเรื่องอาหารการมีน้ำใจต่อพี่น้องประชาชนลูกหลาน แต่การทำบุญเขาไม่ขี้เหนียวนะเขาไม่ขี้ตะนีสลา อ, อหาคนเทียมระยาะแต่ส่วนตัวนะโอเป็นคนประหยัดมากๆถ้าเขาไม่ประหยัดเขาคงไม่รวยอย่างหวานนะแต่คนที่ใจใหญ่ๆมีเท่าไหร่เงินคำทรัพย์สมบัติเข้ามาได้งบัตรซ้ายสมบัติขวาเขาคงไม่รวยแต่เนี่เขาคนพื้นคนประหยัด เขาจึงรวยแต่ว่าเรื่องการทำบุญเนี่ยเท่าไร่เท่ากันในวัดวาศาสานาในระแวกนั้นเป็นที่ยอมรับโยมพี่คนนี้เพราะนั้นเขาจากไปสามปีลวปีที่สามเขาปีนี้จะทำบุญให้ใหยิ่งใหญ่พอสมควรตามสถานะขอนิมนบนหลวงลุงมาร่วมงานด้วย หนะลวงพ่อจะได้ไปนะทุกหลาดและกัวันเพุ่งนี้วันที่ย3ิบสามวันที่ยี่สิบสี่เป็นกระถินของคูบาชาลาดคูบาเฉลิมอยู่ที่ถ้ำกกสพุงหลวงพ่อก็คงจะอยู่ร่วมเขาอีกสักวันหนึ่งพอเสร็จกระถินหลวงพ่อก็คงจะกลับมาละถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนะเนี่แหละที่เล่าให้ฟังนะ่คือภาละ สาธนากิจของหลวงพ่อแต่ถึงยังไงภาระสาธนากิจขนาดไหนก็กเถอนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าใครจะเป็นคิวต่อไปตัวนิรากิชคิวต่อไปพวกเราต้องได้คิดไปอยู่เสมอถ้าเราคิดจุดนี้ไว้ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเอทำไมหลักพระพุทธศาสนาท่านจึงเน้นจุดนี้มากดูก่อนอาน o ์ท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอา n กลาบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าประวานวันละวันะละร้อยครั้งพระเจ้าขาดอ า, าน o ์เธอจึงตั้งเธอจึงตั้งอยู่ในความประมาทอยู่นะ ระลึกถึงวันร้อยครั้งต้องทึกนึกระลึกถึงทกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายนั่นแหละจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท <c oughs> แต่บางวันพวกเราวันทั้งวันไม่เคยคิดถึงความตายเลยนะแสดงว่าเราประมาทอย่างมากๆขนาดพระอานนท์ แล้วเลืกถึงความตายประมาณมาร้อยครั้งพระพุทธองค์ยังว่าประมาทอยู่เพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นะคํำนี้ถึงจะไม่ถึงกับพระอานุ์ก็เถอะนะก็เป็นแนวความคิดเอาไว้ว่ามะลังมระนังเมภาวิชติข้าพระเจ้าจะต้องตายสักวันหนึ่งแน่นอนถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะ ถ้าเราคิดได้อย่างนี้การที่จะประมาทเลินเล่อหรือว่าทางานที่จะทำความชั่วเสียหายก็ต้องได้คิดไว้ก่อนเอ้ยหรื อ, อ, อว่าเราจะทำมาค้าขาย เ, เกินตัวเกินตัวเกินนั่นไป เ, เกินฐานะของตนเองไปเราก็ต้องได้คิดไว้เหมือนกันเออมันเกินไปละมั่งเรา ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ด้วยนะถ้าเราเราลิกถึงความตายให้เขาว่ามันมีเบรกในจิตใจมันพอเหมาะพอสมพอสมควรแต่ถ้าเราไม่เลิกถึงความตายไว้ในใจเนี่ยทำอะไรมันตะเตลิดเปิดเปิงนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนบางทีลืมตัวได้ง่ายๆ ถ, ถ้าโกรธให้ใครก็โกรธทารลบก็รอบ ไม่ดูหน้าดูตาใครไม่ดูใครนะมีแต่โลภอยู่ตลอเ ด, ลอดเหมือนตัวเองจะไม่ตายถ้าโกรธให้ก็โกรธถ้ารักใครก็รักจนคิดว่าตัวเองจะไม่ตายอีกเหมือนกันถ้าระลึกถึงความตายเข้ามานะึงมันหักรักหักหลงหักโลภหักโกดหักหลงในสงาสารดังนั้นพวกเราระลึกไว้อยู่เสมอนะ ค่งเรื่องตัวนี้นะ่ะใครข้ามให้ไม่ให้เราหลงหลืมจนเกินไปแต่ทิ้งยังไงเราก็ไม่ได้ท้อใจอย่างหลวงพ่อรนะลึกถึงความตายหลวงพ่อท้อใจไม่มันเป็นธรรมชาติเราจะไปท้อใจได้ยังไงเรายังอยู่ยังกินยังไปยังมายังใช้ยังสอยยังทาธุรภาระธุรกิจอยู่สาธารณกิจอยู่ เราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอันไหนดีที่สุดมันขยันอดทนทำให้ดีที่สุดในหน้าที่นั่นแหละอันนั้นก็คือพวกเราต้องทำจุดนี้ให้ดีแต่เมื่อดำดีแล้วเนี่ยความภาคภูมิใจแล้วว่าความสบายใจในจิตใจของเรานั้นอ่ะมันเป็นเครื่องอุ่นใจนะ จิตใจจะไม่ว้าเหวอางวางเงียบเหงาซึมเศร้าหมดอะไรตายอยากมันจะไม่มีนะเอเพราะอะไเพราะเรารู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องรู้เรารู้ชีวิตเจียนจบเจียนจบในสังขารเจียนจบในชีวิตแต่เรียนจบชีวิตของเราด้วยเรียนจากคนชีวิตของคนอื่นด้วย แต่ละคนละคนมันมีประวัติของตนเองอยู่แล้ว เ, เพราะนั้นเราเอาคนนั้นศึกษาประวัติคนนั้นบงศึกษาประวัติคนนี้บงศึกษาความเป็นมาของตนเองบังแต่สรุปแล้วก็คือให้เราเดินไปข้างหน้าประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลให้ภาวนาอย่าตั้งอยู่ในความประมาท สรุปตรงจุดนั่นคือว่าตายแล้วไม่สูญ น, นะพี่น้องนะ <c oughs> ตลวงพ่อจะย้ำอยู่เสมอตายแล้วไม่สูญร่างกายตายแน่ร่างกายสังขารรูปร่างกายางตัวของเราเผาไฟทิ้งแน่ แ, นแต่วานา ม, มะธรรมใจดวงนั้นตัวผู้รู้น่ะจะต้องไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นอีกตัวนั่นล่ละท่านมาให้สั่งสมบุญกุศลบุญกุศล จะติดจิตติดใจกับดวงวิญญาณดวงนั้น่ะถ้าทำชั่วกำชั่วก็ติดถ้าทำกรรมดีกรรมดีก็ติดเออติดติดขนาดไหนติดจนติดพบติดชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตั้งความปรารถนาในใจนานทีเดียวพอได้ตั้งความปรารถนาแล้วแล้นก็ในใจ พอชมพูนะต่อมาอีกได้พบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาตั้งความปรารถนามานานดวงวิญญาณนี่ท่านได้เกิดเป็นสุเมธะดาบทพระเจ้าทีปังกรได้พยากรพยากรคล้ายๆว่าทำบอกเลยวาเนีดาบทคนนี้ต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการ จากนั้นก็ท่านขวเวียนไหวตายเกิดสร้างบุญสร้างกุศลสู่เข้าสู่จิตใจเรื่อยเรื่อยเรื่อยสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มรอนรอนบางพบบางชาติก็ขาดทุนบางพบบางชาติก็ได้กําไรบางคนบางชาติได้กําไรน้อยกําไรมากหรือว่าขาดทุนน้อยขาดทุนมากหรือขาดทุนทั้งหมดขวเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเอ ขาดทุนมากก็คืออะไรคือไม่ได้ประกอบคุณงามความดีเกิดมาแล้วก่อนเนะี่ยไปเกิดผิดที่ผิดทางพอเกิดขึ้นมาแล้วกัพ่อแม่พี่น้องตระกูลมีแต่ทําความชั่วนี่ทต่ทำความชั่วนะั้นคือชาตินั้นขาดทุนแต่เราพอเกิดมาเป็นตร ะ, ะกูลที่ดีเกิดมาเป็นสัมมาทิฏฐิมีแต่สร้างบุญสร้างกุศลเกิดมาชาตินั้นดีอพอใหญ่ขึ้นมา เข้าไปบวชเป็นฤาษีชีภัยอีกต่างหากบําเ พ, พ็ญพจนอยู่ในป่าดวงพงภัยตายแล้วไปขึ้นไปสู่พรหมโลกอันนั้นแปลว่าชาตินั้นได้กําไร น, นั่นแหละมม่ใ ช, ใช่ไม่ใช่ว่าได้กําไรทุกภพทุกชาตินะก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนะให้พวกเรานึกย้อนหลังบางปีก็ไม่ได้เข้าวัดเข้าวามีแต่หมกมุ่นในเรื่องการเรื่องงานมีแต่เรื่องโมโหโกธานะ แปลว่าเดือนนั้นขาดทนแต่เดือนไหนจิตใจปลอดโปร่งทำบุญทาทาน อ, าอะไรก็คล่องแค่วรู้สึกว่าได้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจแปลว่าเดือนนั้นปีนั้น เ, เราเราได้กำไรถ้าเรานึกดูดูตัวของเราก็เป็นอย่างนั้นนะอนันนี้ให้พวกเรานึกดู แต่ช่วงไหนเดือนนี้เราภาวนาอย่างเป็นพระสงฆ์อยู่ในป่าดงพงไพ่เดือนนี้เราเดือนนี้เราเร่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบตลอดทั้งเดือนเลยนิ่งพิจารณาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันแปลว่าเดือนนั้นได้กำไรได้กำไรชีวิตทางด้านจิตใจแต่ว่าเดือนไหนไม่ตัดเรื่องหมกหมุ่นในจิตในใจกลุ่มหลุม เ อ, อมีแต่เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะเรื่องไม่เป็นเรื่องคือมันกลุ้มหลุมอยู่ในจิตใจแปลว่าเดือนนั้นขาดทุนะให้พวกเราคิดดูอย่างนั้นนะให้ดุกนึกย้อนดูนะในดึกนึกนึกย้อนดูตัวของเราเนี่ยแหละเออปีไหนขาดทุนปีไหนกำไรเดือนไหนขาดทุนเดือนไหนกำไรวันไหนขาดทุนวันไหนกำไร ถ้าพวกเราย้อนดูตัวของพวกเราดูบ่อยๆนะถ้าใ น, นช่วงไหนจะมันจะขาดทุนเอ้ยมันจะขาดทุนลรืวะนะอวะเราพยายามปรับปรุง อ, อย่าให้มันขาดทุนอันไรมันจะได้กำไรกำไรมันดีกว่าไม่ใช่เหรอถ้าเราทำขาดทุนมันก็ทำให้เรา เ, เกิดมาทั้งทีชีวิตขาดทุนบ่อยๆบ่อยๆทุกวี่ทุกวัน ผลี่สูตรกันนะล้มสลายขาดทุนจนล้มสลายสมสลายตายอีกต่างหาก <c oughs> ไปว่าอะไรทํอยังไงมันยังฟื้นตัวไม่ได้ถ้าล้มสลายขึ้นมากับฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็ยังดี đấy. เด็อถ้าฟื้นตัวไม่ได้ตายขณะที่ล้มสลายนะ่อันนั้นขาดทุนมากๆนะพี่น้องลูกหลานจะทายญาติโยกเพราะนั้นให้ประกอบคุณงามความดีให้ตรวจตราดูตนเอง พยายามทบทวนชีวิตประจำวันประจำเดือนประจำปีนึกย้อนหลังดูแล้วก็เป็นบทเรียนของเราทั้งนั้นแหละสิ่งไหนที่มันจะขาดทุนเราอย่าทำเป็นบทเรียนอันไหนเป็นกําไรเราก็ทำสิ่งนั้นประกอบชิ้นนั้นให้มากวันนี้ก็ให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย เอาตอนนี้ไปรับพรนักทันตีน่า